แสนนานที่เราได้แยะทางเรื่องราวของเรามันควรจบลงอย่างสวยงามหรือเราต่างเดินทางไ้พร้อคนที่แสนดี ล o งคิดถึงเธอพรอมขอเขาจะแน่นท่ไรยังอดนึกถึงเธอไม่ได้ผ mm ิ hmm. กับเ mm hmm. ค่ครั้่ครงแค่ครที่ยังสอนเธว mm ้ hmm. ไม่จะลืท่ไร mm hmm. ยังอบนัดพบเจอกับเธอ mm hmm. บังคในฝันต่ยังส่ง ไกลจากวันที่ลาแค่เพ mm ียงเสี้ยวนาทีของในบางรารี mm hmm. ได้ยินเสียงของเธอในยามนิทรา mm hmm. ยังแอบนัดพบเจอกับเธอ ที่ะ Oh.